จากวันนั้นฉันไม่รู้นานเท่าไรที่เราได้จากกันเหตุผลใดๆ ไ, ไม่ใช่เรื่องใหญ่วันนี้ จะขอให้เวลานี้เป็นของเราไม่อยากจะถามว่าเราจะเหมือนเดิมได้ไหมแค่อยากให้รู้ที่ผ่านมานั้นฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจ ถามว่าเราจะเหมือนเดิมได้ไหมแค่อยากให้รู้ที่ผ่านมานั้นฉันคิดถึงเธอสุด